ดูดีๆนะพระเรล่าชีเราพิจรารณาปฏิสังขาอยู่อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งตังที่ตืตตต่นขึ้นมาเรารีบทำความเข้าใจกับชีวิตของเราอะไรคือจิตวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรความปกติความสงบเป็นอย่างไรทั้งพระทั้งชีขยันขยันในการทำความเข้าใจขยันในการสารวจถ้กิดคลานแล้วก็หมด การฝึกขัดฝึกคนตนเองให้อยู่ในระบบระเบียบจัดระบบระเบียบของสมมติจัดระบบระเบียบของจิตวิญญาณจนกว่าจะคลายความหลงละกิเลสได้หมดจดสามเณรก็เหมือนกันตัวเล็กหนาลักดิจำกฎของท่านเจ้าขุณได้หรือเปล่าถ้าอยากอะไรไม่ให้เอาให้ผ่านเลยไป นี่ถ้าอยากไม่ให้กินให้ผ่านเลยไปห้ามเสียดายอะไรเอาวอนอีกด้วยอยากแล้วก็ให้นั่งดูดับความอยากไม่ได้ก็ให้มันจบเองแต่วันศึกน้ำหนักต้องเพิ่ม3ามกโลถึงแกได้ศึกไม่อย่างนั้นไม่ได้ศึกนะตัวเล็กๆต้องทำน้ำหนัก <c oughs> ไม่รู้ว่าเซอมเนนคนไหนแอบนี้ไปนอนที่ที่หลุมศพนะ พาเพื่อนไปอยู่ที่หลุมศพไปพิจรารณาไปพิจรารณ า, า, า, าใจมันมีความกล้าหาญไม่มีความกลัวอย่าให้เป็นเหมือนกับสามเณรบอล น, นะสามเณรบอล น, นี้เ ก, ก่อยู่ด้วยกันแปดเก้าลูตกเย็นพาเพื่อนไปนั่งสมาธิรอบหลุมศพทุกวันทุกคืนสองทุ่ม บวชได้อยู่ประมาณสักเดือนกว่าตกเย็นพาหมูพาคณะไปไปทุกวันทุกวันพอศึกจากธมมเนนแล้วไปโรงเรียนกลับมาวัดอีกทีก็เลยว่าบอนเชียงบอนพาเพื่อนไปนั่งที่หลุมศพไม่ไปทำไมไม่ไปสทำไมผมผมบวชเป็นเนน ผมใส่ผ้าเหลืองผีมันก็กลัวผมสส่ห่วงผมฉึกแล้วผมก็กลัวผีสิวเลยก็เลยไม่ไปอ๋อยึดติดผ้าเหลืองเป็นชลณะอผีมันกลัวผ้าเหลืองหัวเงิะผมฉึกแล้วผมก็กลัวผีสิผมไม่มีผ้าจำมาเนนบ่อนจำมาเนนมักไอ้จำมาเนนมักจเกจ้าอ้วน เราบวชเป็นพระแล้วก็ศึกไปแล้วแหละจะไหมเป็นเด็กกลัวผีหลอกเดี๋ยวบ้านก็ให้แม่ไปนั่งเฝ้าหน้าห้องทรวมกลางคืนกลัวผีหลอกพอมาบวชเป็นเนนก็ให้ฝึกรู้จักควบคุมจิตรู้จักควบคุมอารมณ์ช่วงนั้นเขาอาจจะไม่รู้ว่าการควบคุมสติเป็นยังไงการควบคุมจิตเป็นยังไง แต่เขารู้จักบอกวิธีแล้วก็ขอก็รู้จักควบคุมจิตของเขาได้จิตก็เลยเกิดความกล้าหาญไม่กลัวไม่กลัวก็มีพระบทใหม่มาอยู่ด้วยตีสี่ตีหก็พระบทใหม่ก็นอนอยู่ในป่าจามเน้นเ อ, เอมาก็แอบย่องเข้าไปในป่าไปดึงขาพระบทใหม่ล่องเชียงหลงเน้นไม่กลัวแวพ่ภาลัวผี มีโอกาสพวกเราก็ได้มาพึงมาทําความเข้าใจกับชีวิตของเรานั่นแหละไม่ได้ชีวิตของใครโลกเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งมาศึกษาเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องความเป็นอยู่และเอาไปใช้กับชีวิตตื่นขึ้นมาใจของเราเป็นยังไงสงบปกติใจของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าใจของเราเกิดความกังวล กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรสติความระลึกรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรนี่แหละให้มาศึกษาให้มาสนใจไม่ใช่เรื่องของคนโน้นเรื่องคนนี้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของตัวเราที่แก้ไขตัวเรานอกนั้นก็เป็นเรื่องสังคมสมมติภายนอกที่เราอยู่ร่วมกัน่ังฝ่าย่างอิงอาศัยกันอยู่อนุเคราะห์กันอยู่ในระดับของสมมติแต่การละกิเลสก็เป็นเรื่องของเรา การคลายความหลงก็เป็นเรื่องของเราเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปแยกเข้าไปสังเกตมันวิเคราะห์อยู่บ่อยๆนะในธงใครามาจากไหนเอามาดูสิธงทีวนี่ยยมเอามาถวายน ะ, ะ, ะนี่แหละทงอย่างนี้แหล ะ, ะมีโอกาสใครยากจะมาร่วมถวายก็มานะเอามาร่วมบุญปีหน้า างานเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเร็วก็จะได้ฉลองสมโพด์กันตั้งแต่วันมาคะถ้าไม่เสร็จก็จะฉลองสมโพด์กันช่วงวันวิสาขะจะให้ตั้งลงทานไปตลอดผาละนาทีสมมุติต่างๆให้รับปรืนใช้ก่อนมีโอกาสอยากจะมาร่วมบุญอยากจะเอาธงเที่วมา มาผูกมามัดเป็นสัญลักษณ์ในการสมโพธิแ ต, แต่ปากทางเข้ามาลงหลวงปู่ใหญ่ด้านหน้าปางประสูตรตามถนนหนทางหลวงปู่ใหญ่กลางป่าวิหารพระยกยันเข้าไปถึงธรรมจักรหลวงปู่ใหญ่ปังลีลาจะวางธงทิวหมดแล้วก็จะให้เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาตั้งลงทานร่วมกันมาตั้งลงทานร่วมกันตลอดปีหน้า ถ้าเสร็จเร็วก็อาจจะเคลื่อนมาวันมาคับูชาถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ราบรื่นก็จะกําหนดเดิมคือวันวิสาขะปันเพ็ญเดือนหกสิบห้าค่ำเดือนหกนี่โอกาสอยากจะให้พี่น้องเรามีมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมกันได้มีฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ในใจของเราทํามาหลายปี30ปีสามสิบกว่าปี แต่ต้นไม้เล็กๆไผ่พวกนี้ก็มาปลูกกันต้นไม้ก็มาปลูกกันดูแลรักษากันรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นสมัยก่อนก็อยู่องค์เดียวอยู่องค์เดียวสมัยก่อนนี่ตะลอนตะลอนอยู่ในป่าลุมศพนั้นนั้นบังล้มศพอันนี้บังทำความสะอาดตั้งแต่ถนนหนทางเป็นทะเลนรถลาวิ่งเข้ามาไม่ได้หรอกไม่เป็นเหมือนดังที่พวกท่านได้เห็นทุกวันนี้หรอก ท่าลที่พักที่อาศัยอยู่นี่ก็มีทั้งแต่กองกระดุกทั้งนั้นแหละขุดลงไปขนดินทำโปูเพื่อนโป้ไรดึกดึกดื่นด่นหนาวๆวก็อดทนสร้างความขยันหมั่นเพียรทุกวันนี้ก็เห็นตั้งแต่ผลใครมาก็มีความสุขขนลุนหลังมาก็ได้สร้างได้สารโต๊ะมาช่วยกันสร้างกองบุญให้เป็นกองบุญใหญ่ มาทำจากความไม่มีเริ่มจากศูนย์เราคงมาทำให้เป็นอาณิชงใหญ่เป็นบุญกองใหญ่ของทุกคนป่ากาไวคนรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างมาสานต่อไม่ได้ลำบากไปที่ไหนโลกก็ร้อนแล้วแหละทักวนันนี้ถ้าเราไม่ทำไม่สร้างเอาไว้ก็ลาบากมาช่วยกันทำมาช่วยกันสร้างจนสำเร็จสำเร็จในระดับของสมมติก็จะได้ผ่าฉลองสมโพธิกีหน้าก็จะเก็บสะสมทงทิวไปเรื่อย เพราะว่าทำงานใหญ่งานใหญ่นะใหญ่มากใหญ่ทางด้านจิตใจจิตใจก็จะมีความสุขใครมีโอกาสอยากจะเอาทงเิียวมาร่วมเป็นทงพลาสติกหรือว่าทงผ้าที่ไม่เชืออ่อเก่งนี้แหละจะได้มาพกยง <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ของการสมโพธิทุกอย่างภายในวัดเราก็จะได้ปิดทอง หลกในมิตองพระบรมสารีกระฐาด้วยมาส่งน้ำพระบรมสารีกระฐามาปิดทององคพระบรมสารีกระฐาด้วยทุกคนก็จะได้มีความสุขกันตอนนี้ก็เป็นวันวันสุขเนาะวันสุขเดือนวันที่ห้าสุขที่ห้าเมษายนวันที่7กวันที่7วันตรงกับวันอาทิตย์ก็จะได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโครประมาณสเกคู่ มีท่านผู้ใจบุญจากทางไกลจากทางกรุงเทพนวลแหละทางกรุงเทพสมุทรประกาศท่านมีโอกาสได้มาไายชีวิตโคพวกเรามีโอกาสได้มาร่วมมโนโมทนาสาธุด้วยกันก็เป็นบุตรมาถ่ายชีวิตโคมายืดชีวิตโคให้ยืนยาวเข้าไปอีกไม่ให้เขาส่งไปฆ่าหลงฆาสัตว์เพื่อต่อชีวิตได้สักหน่อยก็ยังดี หลักของความเป็นจริงทุกคนก็เกิดมาก็เข้าสู่ความตายเหมือนกันมนุกคนจะต า, ตายชาติตายเร็วตายดีตายไม่ดีเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องพยายามเลือกทางเดินให้ได้เชกนกันอะไรที่เป็นอกุศลเราก็ละอะไรที่เป็นกุศลเราก็จเจริญเราก็พยายามมันทำมันทาความเข้าใจมันสร้างให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเรา ไม่ใช่ว่าธรรมะจะไปอยู่กับคนโน่นคนนี้ก็อยู่ในกายในใจของเราใ น, กาา น, น่กายของเราเป็นก้อนบุญกายของเราเป็นก้อนธรรมเรามาเจริญสติเข้าไปพิเคาะดูรู้ไม่ทันเราก็รู้จักควบคุมรู้จักจับยัง้งรู้จักหมั่นพร่ำมสอนใจตัวเราเองตลอดเวลาทำไมเราถึงเกิดความทุกข์ทำไมเราถึงไม่มีความเพียรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราขาดตกปกพ่องอะไรเราก็จะรีบแก้ไขตัวเราเอง แก่ได้มากแก่ได้น้อยแล้วก็พยายามแก้ไขแนวทางนั้นมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบท่านเอามาจาแนกแกแก่งท่านชี้แนะแนวทางให้ก็วความเป็นจริงธรรมชาตินั้นมีมาแต่กฎคือความบริสุทธิ์ของใจความหลงทำให้เกิดอย่างแค่การเกิดของกิจก็หลงถ้าเขาไม่หลงเขาไม่เกิด นี่เขามาหลงจนมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างภพมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาปกปิดเอาไว้แล้วก็เป็นธาตุของกิเลสมาปกปิดเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายทีเดียวถ้าคนเราไม่พิจารณาให้ละเอียดจริงๆแล้วก็ให้ถูกต้องจริงๆยากที่จะเข้าใจในชีวิตก็เข้าใจอยู่ในภาพรว ม, มก็ได้อยู่แค่ในภาพรวม ได้นอ น, นิสงฆ์ได้บุญได้กุศลอยู่ในภาพรวมแต่จิตใจยังไม่หลุดพ้นถ้าอยากจะให้หลุดพ้นจริงๆเราก็ต้องรู้จุดเกิดเห็นการเกิดการดับจาแนกแกกแก่งทำความเข้าใจแล้วก็ละขัดเกลาตัวเราเองตลอดเวลาบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันสร้างอ น, นิสงส์สร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมคนเราสร้างมาไม่เหมือนกัน สร้างอันนี้สงมาบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็สร้างมาพร้อมมูลทั้งสองอย่างทั้งสมมติทั้งวิมุติทั้งการทำความเข้าใจที่ถูกต้องก็เลยไม่เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาแต่อย่าลืมทิ้งบุญไปที่ไหนก็ทำบุญทำบุญให้กับตัวเราจนล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่สังคมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอริยบทใดเพียงแค่ความคิด ก็ให้คิดในแง่กุศลถ้าเป็นอกุศลเราก็พยายามละอย่าให้เป็นราขีกับจิตใจของเราอะไรคือสมมุติอะไรคือวิ ม, มุตติอะไรคือวิญญาณในกายของเราต้องพยายามกันตั้งใจละพรกันอ๋อก็อย่าจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบาย หยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไวช้ช่วครั้งชั่วงขาวถึงเราหยุดไม่ได้แล้วก็อดทนสักนิดหนึ่งเพื่อให้ใจของเราได้สงบตั้งมั่นขึ้นโดยการกระตุ้นสร้างความมั่นคกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราฝังไปด้วยโน้มส้ำเนียดหลงสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะ การสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆเลือผ่อนลมหายใจมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่เวลาลมหายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ในหลักธรรมท่านเรียกว่าอานาปานสติถ้าเราทําสร้างความรู้สึกรับรู้ตรงนี้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่เรามีสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบัน ตัวใจหรือว่าตัววิญญาในกายเนื้อของเราจะเกิดป่งแต่งทรงอกไปภายนอกเราก็จะรู้เท่าทันเราก็รู้จักควบคุม